นันฟานค่ะและสำหรับช่วงเวลานี้ก็มาถึงโอกาสที่จะได้พบกับพระอาจารย์เทวบุญอภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศวอุดรธานีแล้วนะคะทราบจากท่านว่าวันนี้ฝนตกเดี๋ยวเราไปสนทนากับท่านกันเลยดีกว่าช่วงนี้เปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะคะ่ะนัมัสการกันท่านคะ่ะใช่เชนพานค่ะทราบว่าฝนตกหนักเลยเหรอคะที่อุดรตอนนี้ก็ตกหนักอยู่ตกฝนตกเกือบทุกวันหนักบ้างเบาบ้า ง, า ง, างชาวนาก็ดีใจแหละตอนนี้อ๋อ <c oughs> ค่ะและเนื่องจากว่า การบันทึกเสียงในบันทึกเสียงที่วัดใช่ อ, อาจจะได้ยินเสียงบรรยากาศบ้างแล้วมั้งคะใช่ใช่บางทีอาจจะมีเสียงฟ้ารอา้องบ้างท่านฟังก็ต้องคอยระวังนิดนึงค่ะบา <c oughs> งที่ครับบางคนอาจจะงงว่าเอ๊ะดิฉันไปวัดป่าดอนหายโศกด้วยหรือเปล่าไหนก็อยากจะไปมากเลยนะคะเพียงแต่ว่าเราก็อาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะทำให้พระอาจารย์ไชยวุฒก็สามารถที่จะอยู่ในคอสปฏิบัติธรรมดูแลรูปศิษย์ทั้งหลายที่วัดป่าดอนหายโศกดรนธานี ก็ส่วนดิฉันนี่ก็อยู่ทางกรุงเทพนะคะก็ต้องขอแสดงความชื่นชมในเทคโนโลยีแบบนี้ที่ทําให้เรามีโอกาสเข้าถึงธรรมะใช่ค่ะก็ใช้เวลาท่านมาเยอะแล้วคงจะขอให้ท่านตรงไปที่พุทธประวัติจากกระโจ์เลยดีไหมคะใช่ก็อย่างนี้ตอนนี้อยู่ในช่วงของ้อปัญหาก็จะเอาเรื่องพุทธประวัติมาเล่าให้ฟังต่อตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องของพุทธประวัติที่เกี่ยวข้องกับสาวอกอยู่ ที่จะขอให้ท่านสาวกทุกคนเนี่ยทําตัวอย่างดีนะคือว่าให้มีความเลื่อมใสในพระพุทธเจ้าแล้วก็ถ้ามีความรู้สึกใสในพระพุทธเจ้าก็จะทําให้อินทรีย์อินทรีย์ทั้งห้าอย่างเนี่ยจเจริญขึ้นมาได้ที่พระพุทธเจ้าเคยพูดถึงศรัทธาวิญญสติสมาทิปัญญาใช่ไหมซึ่งห้าอย่างเนี้จะทําให้เป็นผู้ที่บรรลุเร็วหรือบรรลุช้าก็จะอยู่ที่ตรงนี้นแล้วก็นอกจากนั้น คณะสงฆ์ที่พระองค์ทรงบริหารเนี่ยมีปฏิหารอยู่3อย่างนวะบริชาพูดถึงอิอทธิปฏิหารคือการที่มีเขาเรียกว่าอิทธิวิธีในการที่จะทายใจคนแปลงร่างได้ไปในอากาศว่างๆนะหเหาะเหินเดินอากาศหาตัวนี้เป็นปฏิหารที่หน<ะ>ึ่งปฏิหารอันที่สองก็คืออธิษฐานปฏิหารคือการที่ทายใจคนได้นะสามารถอ่านใจคนได้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ แล้วก็อย่างที่สามเนี่ยคืออนุสาสนีปฏิหารคือการที่ให้บอกสอนทาจิตอย่างไรแล้วก็บอกสอนเรื่องธรรมะต่างๆนะซึ่งพระพุทธเจ้าก็บอกอีกว่าอนุสาสนีปฏิหารอย่างเงี้ยเป็นปฏิหารที่แนะนําให้ทำมีมีละดีมากแล้วก็พระพุทธเจ้ายังเปรียบเหมือนกับพระองค์เนี่ยเป็นพี่เลี้ยงของเด็กนะถ้าเปรียบเหมือนเด็กเนี่ยที่เขายัง อ, อ่อนยังนอนงายแบบเบาอยู่ยังเดินไม่ได้อย่างเงี้ยนะก็มีพี่เลี้ยงคอยดูปรากฏปรากฏว่าพี่เลี้ยงเผลอเด็กก็เลยเอาชิ้นกระเบื้องใส่เข้าไปในปากทีนี้พี่เลี้ยงเนี่ยก็ต้องประคองเด็กด้วยมือซ้ายเอานิ้วมือขวานี่ลวงลงไปเกี่ยวออกมาถึงแม้ว่าเด็กจะเลือดออกก็ต้องก็ต้องทำนะเพราะว่าหวังความเอ็นดูหวังความปลอดภัยในเด็กด้วยความเอ็นดูก็เหมือนกันพระพุทเจ้าเนี่ยถ้าสาวกคนไหนเนี่ยยังไม่ได้ทํากิจที่ต้องทําด้วย ศรัทธาหิริโอตปะวิริยปัญญา5อย่างนี้ก็จะต้องคอยตามจำยี่จำใช้บอกสอนขนาบแล้วขนาบอีกอย่างนี้นะเพื่อที่ให้เป็นคนที่ดีได้แล้วก็ยังพูดไว้ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องภาษาริบุตรนะ ว, ว่าภาษาริบุตรเนี่ยเป็นเาเรียกว่าธรรมะเซนาบดีเป็นผู้ที่รองไปจากพระองค์งไม่มีใครที่จะเหนือกว่า ท่านภาษาริบุตรละท่านท่านนับจากพระพุทธเจ้าไปในเรื่องของปัญญาเพราะว่ามีมีพราหมง์หนึ่งไปตามพระพุทธเจ้าบอกว่าอา้าวถ้าพระองค์เป็นธรรมราชาเนี่ยแล้วใครเป็นเสนาบดีอระพุทธเจ้าก็เลยบอกท่านภาษาดิบุตรนี่แหละจะช่วยหมุนธรรมจักร ข, ของเราได้โอ้อค่ะแล้วก็เสมอด้วยพระองค์ในเรื่องการที่จะช่วยหมุนธรรมจักรคือยกย่องท่านภาษาดิบุตรไว้หลายอย่างนะอย่างมีองค์คุณห้าอย่างที่ยกย่องท่านภาษาดิบุตรไว้คือ เหมือนกับเชตโอรสคือพระโอรสองค์โตที่จะคอยบริหารจัดการต่อไปคือด้วยคุณธรรมหอย่างที่ท่านพระสารีบุตรมีคือความรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักการแล้วก็รู้จักบริษัทนะเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เป็นประเด็นที่สําคัญคุณยาเตียวว่าถ้าใครมีคุณธรรมหอย่างนี้นะเป็นผู้รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักบริษัทเนี่ยจะสามารถช่วยพระเจ้าหมุนธรรมจักรได้ ออประทานโทษนะคะอันนี้เคยได้ยินเพียงแต่ว่าลืมไปว่าอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่าอะไรนะคะอ๋อเธอเติมไปอีกสองอย่างก็จะเป็นสัพุริสธรรม7จ็อ๋อค่ะออตแต่เป็น5ป ร, ประการใน7ใช่ใช่ของหมวดสัพุริสธรรมถูกต้องถูกต้องแล้วก็ใน5ประการนี้ก็จะช่วยให้หมุนธรรมจักได้ค่ะทีนี้ถ้าใครจะช่วยประกาศศาสนาเนี่ยจะรายการวิทยุหรือว่าพิมพ์หนังสือเออที่ยวบอกสอนคนอื่นก็ควรจะต้องมีคุณธรรมห้าอย่างนี้ ถึงจะหมุนได้อย่างถูกต้องต้องรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนตนไม่มีรู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักการรู้จักบริษัทอ๋อการประมาณบริษัทนี้ยคะมีประมาณเนี่ยเหตุผลการประมาณบริษัทตนไม่ต้องค่ะแล้วก็ยังยกย่องท่านพระสารีบุตรนั้นในเรื่องของความที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างมากเป็นคนที่มีปัญญามากด้วย อย่างพระสารีบุตรพระพุทธเจ้าได้อธิบายการบรรลุธรรมของท่านพระสารีบุตรคือตอนนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้กับทีคณักขะพรามอยู่และท่านพระสารีบุตรก็ถวายงานพัดอยู่เบื้องหลังคือคือเอาพัดเนี่ยพัดพระพุทธเจ้าอยู่นะขณะที่ฟังธรรมไปเนี่ยก็พอแสดงธรรมจบก็บรรลุเป็นพระอรหันต์พระพุทธเจ้าก็อธิบายขั้นตอนให้ภิกษุทั้งหลายฟังในการต่อมาว่าอ่ท่านพระสารีบุตรเนี่ยบรรลุยังไง ก็อธิบายไว้ละเอียดเลยตรงนี้บอกว่านั้นพระสิริบุตรนะเข้าฌานสมาบัติขั้นนั้นขั้นนี้มีสติสมัมปชัญญะตลอดอืคก็ยกย่องตรงนี้ส่วนเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ายัางยกย่องท่านพระมหากระสปะนนในความที่มีสมาบัติเสมอกันกันกบพระองค์อถึงขนาดที่เรียกว่าเปลี่ยน เ, เคือเหตุสังเกตเห็นว่าท่านพระมหากระสปะเนี่ยมีสังกติที่หนานแล้วก็หนัก เนื่องจากความที่เป็นผู้ถือผ้าบางสกุลเป็นวัดใช่ไหมถ้าผ้ายังไม่พังหรือพังก็ต้องเอาหาเศษผ้ามาปะมาเปลี่ยนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนผ้าใหม่แต่เป็นผ้าเก่าๆใช้เพราะฉะนั้นสังกติของท่านก็หนักหนาด้วยก็เลยเปลี่ยนกับของพระพุทธเจ้าซึ่งอันนี้ทําให้เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งว่าสําหรับผ้าที่ผ้าที่ใช้แล้วเนี่ย อาจจะไม่ใช่หมายถึงว่าผ้าต้องเป็นผ้าสกปรกผ้าเพื่อนฝุนผ้าหอนะ่อศพก็ได้อาจจะเป็นผ้าของภิกษุอื่นที่เขาใช้แล้วเราเอามาใช้ต่อก็ถือว่าเป็นผ้าบังสกุลได้เหมือนกันอ๋อแล้วสานี้นี่คือเรื่องของพุทธประวัติในวันนี้ค่ะประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจมากนะคะอยู่ในตอนต้นที่ท่านพบูลได้เล่า ว, ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเล่าถึงสาวกว่าจะบรรลุธรรมได้เร็วหรือช้าเนี่ยถ้าหากว่าเลื่อมใสในพระพุทธองค์ ใช่ไก็จะทําให้อินสีห้าซึ่งเป็นองค์คุณที่ควรกับการบรรลุธรรมได้เร็วเจริญถูกไหมคะถูกต้องถูกต้องแปลว่าความเลื่อมใสมั่นในพระศาสดานี้ก็สําคัญมากมเลยใช่คะโอ้ศรัทธานี่สําคัญมากมาถูกต้องค่ะศรัทธาเ น, นะะี่ยคือเป็นความที่เราอย่างสมมติเราไปฟังใครอย่างเงี้ยถ้าเรามีศรัทธานในคนนั้นเนี่ยเราจะเชื่อเต็มที่เลยนะออถึงแม้เขาจะพูดจริงพูดไม่จริงเราจะเชื่อเต็มที่เลยถ้าเขาพูดผิดเราก็จะเชื่อสิ่งนั้นเพราะเรามีศรัทธานในบุคคลนั้น นะคะก็เรียกว่าพุทธประวัติของพระพุทธองค์ที่ท่านไปบุญนํามาเล่าเนี่ยจะแตกต่างจากที่เราเคยรู้รู้กันมานั่นจะเหมือนกับว่าเป็นเรื่องราวชีวิตแต่เพียงอย่างเดียวแต่นี่นี่จะได้พูดถึงเรื่องของรายละเอียดต่างๆที่ประกอบไปด้วยธรรมทั้งนั้นเลยถูกต้องถูกต้องค่ะนะคะพุทธประวัติจากพระโอษพระพุทธองค์ตรัสเล่าไว้เองมีคุณค่ามาก พิเศษสำหรับเทศกาลเข้าพรรษายังมีอีกหนึ่งพิเศษถูกไหมคะท่านพิบูลก็คือเรื่องของอริยสัตตค่ะงั้นนิมนต์ท่านเลยค่ะอริสสัตตในตอนนี้เรายังอยู่ในเรื่องของสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์แล้วเราก็พูดว่านอกจากตัณหาแล้วมันก็จึงยังมีหมวดเดียวกันก็คือพวกสังโยชน์ที่แปลว่าเครื่องร้ายรัตอนุสัยที่แปลว่าเครื่องดองสันดานใช่ไหมแล้วก็ยังมีอสวะ อาสวะนี่คือเครื่องดอนส่วนดานเหมือนกับอนุใส่ทีนี้อาสวะอนุสั ย, ส, นน ส, ส, ยสังโยชน์เนี่ยผู้เช่าก็ได้บรรยายไว้ว่ามีอะไรบ้างซึ่งมันก็จะเป็นแนวแนวเดียว ก, กันกับพวกของกิเลสนะพวกของกิเลสถ้าเราพูดถึงพวกตัณหาอาสวะกิเลสโดยไม่พูดอวิชชาเนี่ยมันก็ยังไม่เต็ ม, มนะท่านท่านพุทธทาสก็เลยเอาตรงเรื่องของอวิชชามารวมไปด้วยเป็นเหตุ ข, ของความทุกข์ นะอวิช า, าวิชาเนี่ยที่แปลว่าความไม่รู้ในอริยสัจ ท, ทั้ง4นีะ่ถ้าใครยังมีอันนี้อยู่ก็ยังเป็นเหตุของความทุกข์เพราะฉะถ้าเราสาวกลับไปสาวกไปเนี่ยเรื่องของตัณหามันก็จะไปสุดอยู่ที่อวิชชาใช่ไหมมันในระหว่างทางมันก็จะไปโดนอนุสัยโดนเวทนาโดนอะไรต่างๆด้วยหมดเลยนะนี่คือเหตุของความทุกข์เพราะนเรื่องของเหตุแห่งความทุกข์ที่พระเจ้าพูดถึงอวิชชาอาวิชชาเนี่ย ก็ยังบอกถึงว่าเราคุณจะต้องรู้จักอวิชชาโดยความที่มันดับไปได้เหมือนกันไม่ใช่เป็นธรรมที่ดับไปไม่ได้ <Okay. S 1> คือเหตุของความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยตัณหาอนุสัยอวิชชาเวทนาอสวรรค์สังโยชน์ดับได้หมด <Okay. S 1> เกิดได้ต้องดับได้แล้วก็จึงบอกว่าไอ้สมุทัยคือเหตุให้เกิดขึ้นของความทุกข์เนี่ยต้องเป็นสิ่งที่ควรละเวลาจะรู้เนี่ยต้องรู้สามอย่างรู้สามรอบนะ รอบแรกก็คือว่ารู้ว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ควดล ะ, ร, ะนะรู้ว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยมีอยู่นะสองรู้ว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยควรละแล้วก็อย่างที่สามคือรู้ว่าเหตุแห่งทุกเนี่ยเราละได้แล้ว <c oughs> ทีนี้พอมาถึงเรื่องของสมุ ท, ทยัยคือเหตุเกิดทุกใช่ไหมเราก็มาพูดนิดนึงถึงความดับไม่เหลือของทุกดีกว่า <c oughs> ว่าไอ้ที่เราบอกว่าตัณหาตัณหาคือเหตุให้เกิดทุกเนี่ย แล้วไอ้ความดับไม่เหลือของตันหาเนี่ยมันเป็นยังไงค่ ะ, ะก็พุทธเจาก็เริ่มอธิบายถึงเรื่องตันหาก่อนว่าตันหาเนี่ยถ้าเราจะละเนี่ยละได้ในที่ไหนถ้าจะดับเนี่ยดับได้ในที่ไหนก็บอกไว้ว่าสิ่งใดที่มีความรักมีความน่ายินดีในโลกเนี่ยเวลาจะดับตันหาได้ต้องดับได้ที่สิ่งนั้นเพ<ม>ราะฉะนั้นอะไรที่มันมีความรักความน่ายินดีในโลกบ้างคุณโยมติวว่ามันทุกอย่างเนี่ยมันมาทางตาอ่า ไม่ตา ก, ก็หูจมูกลิ้นกายใจสักทางใดทางหนึ่งนะไม่ไม่มาทางรูปก็มาเสียงกลิ่นรสปวดพระธรรมลมใช่ไหมแล้วมันมาบางทีมันอยู่ในใจเรามันมาทางตามันเกิดเวทนามันเป็นสัมผัสมันได้หมดเลยเพรา ะ, ะนั้นอาตมาถึงบอกว่ า, อาโอกาสที่เราจะเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเนี่ยก็เท่ากันเราจะตกลงไปเป็นทาดของสิ่งที่มากระทบก็มีโอกาสเท่ากับที่เราจะพลิกตรงนี้ให้เป็นโอกาสที่เราจะหลุดออกจากมันได้เหมือนกัน ก็หมายความว่าอาโอกาสที่เราจะพ้นทุกข์ได้นี่มีตลอดไงค่ะเพราะว่าถ้าจะพิจารณาดูสิ่งที่มีความรักความน่า ย, ยินดีในโลกและทําให้เราอยากจะได้มาเป็นของเรานะคะต้องบอกว่ามันมีตลอดเวลาทุกวันแทบทุกในสิ่งที่เราทําเลยชเพราะว่าเรามักจะบอกกันว่าอยากได้ของที่ชอบที่ชอบอนะคะถ้าไม่ชอบก็จะไม่อยากได้กันให้ละที่นี่เลยล่ะคะ่ะถูกต้อง ละที่ตรงนั้นแล้วก็จะละความถูกได้ขออนุญาตถามนิดหน้่งไคะว่าพอจะแนะนำผู้ที่ยังมีปัญญา น, น้อยเป็นปุถุชนไม่ได้สดับเนี่นะคะสมมุติไหมคะ uh huh. เกิดเรากําลังมีความรู้สึกรักใครใ่ใจดีในคนก็ได้ <Yeah. S 2> ถ้าจะละละยังไงอันท่านคะละเนี่ยต้องเห็นว่าคนนั้นเนี่ยเป็นยังไงก่อนคือมันละเนี่ย ต้องต้องบอกว่ามีละอยู่สองแบบนะคือละความยึดถือทางใจอันนี้อันที่หนึ่งกับ <c oughs> เราหนีไปเลยนะซึ่งที่พระเจ้าสอนเนี่ยไม่ได้ให้หนีไปเลยนะสมมุติเรามีลูกเนี่ยเราก็ต้องเลี้ยงดูลูกเราตามปกติแต่ที่ละเนี่ยหมายถึงละความยึดถือในใจอ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นเวลาเห็นลูกใช่ไหมมันกระทบทางตาเราละที่ตานะเราไม่ได้ละที่ตัวลูกเข้าใจไหม ซึ่งวิธีการตรงนี้จะอธิบายอย่างละเอียดในเรื่องของมัคตรงนี้ออกคร่าวๆกันใช่ให้เข้าใจว่าอ๋อมันมีในจิตของเรานะที่เราต้องละตรงนี้พอละได้สภาวะจะเป็นอย่างนี้ค่ะนะแต่ไม่ใช่ว่าละละละละละเอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมายึดใหม่งไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ละแล้วต้องละเลยทีนี้ว่าไอ้ทุกทั้งหมดเนี่ยก็ถ้าเราละนันทีคือความเพลินได้นะตรงนี้เราก็จะละได้ นะความเพลินในอารมณ์ทางตานะสมมติเราเห็นลูกเห็นสามีเห็นคนใกล้ตัวเรามีความรักเราระความเพลินตรงนี้ละความเพลินที่เข้าไปยึดอารมณ์นี้ต้องละให้ได้นะมีโอกาสตรงไหนเราละตรงนั้นได้แล้วก็ห่วงโซ่ของการที่จะทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยก็ไล่ไปจากจะดับทุกข์เนี่ยก็ไล่ไปจากอวิชชานะถ้ามีอวิชชาดับแนะสงการก็ดับสังการดับวิญญาณก็ดับวิญญาณดับก็นำรูปดับไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆจนถึงมีความ ดับไม่เหลือของทุกข์แล้วพระพุทธเจ้าก็ยังพูดอีกว่าความเพลินเนี่ยนอกจากจะเพลินทั้งต่าหูจมูกลิ้นกายใจมันก็ยังเพลินไปในธาตุสีได้นะธาตุสีดินน้ําไฟลมนะถ้าเราเห็นตามที่เป็นจริงไม่เพลินในธาตุสีก็ใช่ว่าเป็นผู้พ้นจากทุกข์ทีนี้มีตรงหนึ่งที่พระเจ้าพูดถึงเรื่องของความดับความดับเนี่ยนะความดับความดับไม่เหลือของทุกข์เนี่ยคืออะไร ก็คือหมายถึงเรื่องของขันทั้งห้าก็มนนีนอกจากตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ยังรวมถึงความดับในการเข้าไปยึดถือในขันทั้งห้าก็ได้แล้วก็ยังพูดถึงความดับของเวทนานะกับหูรูปกับตาพวกนี้ก็ดับได้หมดซึ่งถ้าเราสาวไปสาวไปแล้วเนี่ยก็จะพบว่าก็คือตันหานั่นแหละ น, นถ้าใครปรงภาระตรงนี้ได้ก็วางตันหาได้ก็ชื่อว่าปล่อยของหนักคือขันทั้งห้าได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้า<ม>หากว่าหลายท่านฟังอาจจะบอกว่าห่วงโซ่ของท่านภบูบู์เนี่ยฟังแล้วก็เห็นเป็นข้อข้อเลยไม่เข้าใจว่ามันคือข้ออะไรถ้าเข้าใจง่ายๆมากขึ้นก็คือกระโดดมาที่ห่วงโซ่ที่ชื่อว่าตันหาถูกต้องใช่ไหมคะแล้วก็ดับที่ตันหาถูกต้องถูกต้องก็จะพลอยดับขึ้นไปทั้งสายเลยหรื อ, อยังไงคะ ก็คือพอจุดนี้ดับแล้วมันจะไม่มีการเชื่อมต่อถ้าไม่มีการเชื่อมต่อคือความหมดเลยค่ะตัญหาแปลว่าความอยากนั่แหละนะคะลองดับสักอยากอย่างเดียวที่เราคิดออกก็เป็นื่นอยาดับหมดค่ะแล้วก็คิดตามไปเรื่อยว่าเออดับได้ที่ความอยากนี้มันความทุกข์ดับได้หมดจริงไหมในในเรื่องนี้ก็จะค่อยมาต่อในวันพรุ่งนี้ต่อไปได้นะคะค่อยเป็นค่อยไป นั่นเองก็เกรง น, นะคะว่าบางท่านอาจจะเพิ่งเปิดมาฟังพอฟังปุ๊บเจอศัพท์เทคนิคของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะกลัวอย่า ก, กลัวนะคะฟังไปเรื่อยๆแล้วก็ไข้ครควญตามรับรองว่าเป็นของมีคุณค่าเป็นความรู้ที่ควรรู้มากที่สุดกรลักัน <Yeah. S 1> นะคะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านเทวุล น, นะคะ yeah, s <S เพราะว่าแม้แต่จะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างไรหรือบางทีสุขภาพกอาจจะ มีปัญหาบ้านเล็กน้อยท่านเป่เมตตาพวกเรานะคะ <c oughs> <ช>ต้องนมัส ก, การขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะอ <c oughs> าจารย์เรีนานค่ะตอนนี้พระสงฆ์ได้อย่างอยู่ในช่วงเทศ ก, กาลเข้าพรรษานะคะท่านฟังที่์ษาทีนี้ของสง์เพื่อความสามัคคีที่พระพุทโธบัญญัติไว้และคือเรื่องของกระถิ่นแล้วก็ถึงแม้จะเป็นกิจของสงนะคะแต่แม่คราวญาก็เห็นพระสงฆ์ปฏิบัติปีปฏิบัติชอบอยากจะมีส่วนร่วมในการทำบุญเังนั้นกลังพูดถึงเรื่องกระถิ่นค่ะที่ วัดป่าดอนหายโศกนั้นก็จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่23ตุลาคมนะคะขณะที่ทางวัดนาป่าพงศ์ที่พระมาชาคาวาโรและพระอาจารย์คริสติสุธิพโรอยู่นั้นก็จะจัดการใน1อาทิตย์ก่อนหน้าขึ้นวันที่16ตุลาคมวันนี้เราคงจะต้องลากันไปตะเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสําหรับท่านทั้งหลายที่หากมีคําถามเพลธรรมะ .com/106 ของท่านเพียบูนก็ยังคงเปิดรับคําถามอยู่ เช่นเดียวกับที่022690006นะคะสำหรับวันนี้พุทธวสวัสดีค่ะ